หมดตัวแต่ไม่หมดธรรมจากวุ่นวายจะกลายเป็นสงบเศรษฐีหลายคนก่อนรวยเคยล้มละลายและพยายามฆ่าตัวตายมาก่อนแน่นอนไม่มีเลยสักคนที่ฆ่าตัวตายสาเร็จพวกเขารอดชีวิตไปดูความสาเร็จของตัวเองจนได้บางทีคาถามช่วงวิกฤต ต้องการคำตอบสําคัญแค่นั้นทำใจอย่างไรถึงจะผ่านนาทีนั้นไปได้นาทีเดียวที่ผ่านได้หรือไม่ได้ตัดสินเลยว่าจะได้เห็นหรือไม่เห็นสิ่งที่นึกไม่ถึงเกี่ยวกับชีวิตตนตอนแทบไม่มีเงินเหลือรู้สึกจุกอกมืดไปทั้งใบหน้าหายใจไม่ออกคิดอะไรไม่ออกบอกถูกแต่ว่า ความอยากตายเป็นอย่างไรจากคนเคยมีกลายเป็นไม่มีไม่เจอเองไม่รู้เองว่ายากจะทนขนาดไหนจากชีวิตที่เคยชอบหรือมีอะไรน่าชอบอยู่บ้างกลายเป็นชีวิตที่ไม่น่าชอบใจเลยใครจะอยากมีชีวิตแบบนั้นต่อตอนจิตใจมืดบอดถึงที่สุดคุณคิดอะไรในทางแย่ได้หมด พรอมจะทำเรื่องแย่ๆได้ทุกอย่างแต่ตอนเดียวกันนั้นแหละแค่เจอลมหายใจทางธรรมของตัวเองคุณจะพลิกจากชีวิตไร้ความหมายมาพบความหมายของชีวิตชนิดได้เปรียบนักปฏิบัติธรรมอื่นๆแบบมาที่หลังหลายปีแต่มีสิทธิ์ตัดรงแสงเข้าเส้นชัยก่อนหลายก้าวจุดที่อยากทำลายตัวตนแบบนี้ทิ้งเสียทีแล้ว ไม่เหลือเยอะใหญ่กับตัวตนทั้งหมดในอดีตแล้วไม่หวังกับตัวตนข้างหน้าที่ยังมาไม่ถึงแล้วณขณะนั้นเพียงหายใจเต็มปอดพร้อมกับความเข้าใจว่าลมหายใจไม่ใช่ของเราเป็นของภายนอกที่เข้ามาข้างในชั่วคราวคุณจะเกิดวูบของความรู้สึกว่ากายนี้ก็เป็นของชั่วคราวเหมือนกันชีวิตไม่ใช่ของเราอยู่แล้ว และจะต้องออกแรงทำลายมันทำไมณขณะใหม่แห่งความเข้าใจคุณจะเกิดความรู้สึกแปลกใหม่รู้สึกว่าว่างจากตัวตนมีแต่กายให้อาศัยดูว่าลมหายใจไม่เที่ยงสุกขทุกข์ที่มากับแต่ละลมหายใจไม่เที่ยงจะฟุ้งหรือจะสงบก็ไม่เที่ยงชีวิตที่เหลือจะเป็นแค่หุ่นอนัตตาตัวหนึ่ง เป็นแบบฝึกหัดฆ่าตัวตนออกจากใจไปเรื่อยๆความสุขจากการฆ่าตัวตนอันมาแทนที่ความทุกจากการฆ่าตัวตายจะทำให้คุณเห็นย่งเต็มตื่นว่ากลับมามีเงินหรือเงินไม่กลับมาอีกเลยก็ไม่สำคัญเท่าได้หันกลับมารู้จักธรรมะแท้ในตนเองแล้ว มาเหตุผู้อ่านสำหรับท่านที่คิดว่าชีวิตนี้หมดทางแล้วก่อนจะตัดสินใจทำอะไรลงไปในไหนก็จะไม่เอาอะไรแล้วก็ลองสละเวลาสักสองสามอาทิตย์หรื อ, อยังน้อยเจ็ดวันอาวัดดีๆที่สงบจริงที่พระดีจริงไปถือศีลปฏิบัติธรรมสักระยะการปลีกวิเวกตัดขาดจากโลกและสังคมไปชั่วคราวจะทำให้สมองสงบและมองเห็นความจริงหรือตัดสินใจได้ดีขึ้น ทั้งบุญในการปฏิบัติธรรมนั้นถ้าปฏิบัติถูกจริงจะเป็นบุญที่มีอนิสงส์มากส่งผลให้แก้ปัญหาและมีโอกาสดีๆในชีวิตเข้ามาอีกมากขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่กำลังรู้สึกว่าหมดหนทางหรือชีวิตช่างโหดร้ายเหลือเกินแนะนำเพิ่มให้ฟังจากเสียงอ่านเรื่องทำบุญแก้กรรมกับการสวดมนต์ภาษาไทยที่ผมเรียบเรียงไว้นะครับ ขออนุโมทนาทุกท่านที่ร่วมฟังธรรมเป็นประจำและขอพระคุณสําหรับทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์การกดถูกใจแชร์ติดตามซึ่งถือว่าเป็นการร่วมบุญที่เท่ากับด้ยร่วมเผยแผ่ธรรมไปด้วยเช่นกันนะครับชีวิตคนคนหนึ่งเปลี่ยนไปด้วยธรรมะจะสะท้อนกลับมาเป็นแรงส่งให้ชีวิตคุณเปลี่ยนไปทุกๆด้านอย่างเป็นธรรมเช่นกันสะพัสทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง